วันนี้ขนพรชนะมาว่าคป็นมากที่สุอนเคด้นงโสถ์นิทีกันี่ปไทยผลมโบสถนิทรแ้ยอือว่ามากรอยสาิานตาที่สุดเจ็บานืู่ไม่เาค คึงฉันอาหารในโรงทานได้เพียงวันเดียวถ้าว่าพึงฉันเกินกว่านั้นต้องอาลับัตปาจิตตี ค, คือรู่สุึใหม่อาภาต้นว่าอาภากับอาภาเนี่เอาแค่ไหนท่านบอกว่าไม่สามารถไปประมาณสโ่ยอดได้ไม่สามารถไปทางประมาณสี่ยอดได้ถือว่าป่วยนะป่วยแขนนี่ไม่ทำ เนี่ยแต่ถ้าเดิได้ก็ถือว่าไม่ปวดแม่แปอยิโลนะไอนปดกิโลยังเดินได้เนี่ยกอุ๊ดนี่ชื่อว่าปวดนะปดฟนนิดหน่อยนี่นะครับนี่ไม่ถือว่าปวดนะขนาดไก่ที่เดนพระสมานต์มาเล่าว่านรันอันนี้ชื่อว่าปวดถ้าปวดไปไม่ได้เพิ่งฉันอาหารในลงทานได้เพียงวันเดียวนี่นะลานสมัยก่อนย่งประเทศินเดียสมัยก่อนจะมีเยอะ พวกพวกขอทาพวกอะไรเนยและคนใจดีเสร็จทีล้วก็มีเยอะใช่ไ้มครับใครจะตั้งลงเท้าม่จะตั้งทางสามท่าสี่ ท, า 3, 4, ทา่าอะไรต่างๆครับทีนี้ถ้าไปก็เขาว่าถวายนะนั่นนะครับก็ให้ไปฉันนะคะในรองท้าเยได้คือวันเดียวถ้าพ า, าห้ฉันได้ตลอดถ้าพาก็ฉันได้ ฉันได้เรื่อยตอนที่ป่วยนี่ใชเธอป่วยแต่วันเดียวนะครับแล้วก็ฉันนี้ไม่ได้นะครับถ้าว่าคุอมีฉันเกินกว่านั้นคีอฉันกันหนึ่งวันวันนี้ฉันแล้วพรุ่นี้ก็ไปฉันอีกนี่นะนอกแตกว่าลงฉันมันต่งคนก็หงกันครับอันนี้ก็หมายถึงเจ้าเดียวนะหรือว่าหลายเจ้าท่อรวมมาเป็นหนึ่งนะครับแต่ท้อมาต่างเจ้าก็ไม่ได้รวมกันเลย ยังเชืมีสิบโลยี่ปบุญลงทานคนละเจ้าคงเจ้าคนลเจ้าแล้วก็เวียนไปเลยนี่ครับไอ้เจ้าแรกถึงเจ้าที่สิบเนี่ยวันวันละเจ้าลจ้าอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าถึงีสิก็จะมาเวียนใหม่หนึ่งไม่นานนะครับในกรณีที่ตัดนะตัดสกุลตัดเจ้าครับถ้าเจ้าในการเข้ารวมกันนี้ไม่ได้ คุณถอนเกินก่านั ouais, <S <S <S ้นไปกว่าหนึ่งวันนะก็ต้อบปลากีตีในสิงาคนนี้ข้นี้ไม่ยากนะเนโลงทานืหอครับสมัยนไม่เคยเห็นไม่เคเห็นทุกครังเลยส่วนาจะมีแต่พอมีงานอะไรเขาจะมีลงทานที่นึ่แถวหลังบดพิซซ่าคาลาซานาัมาจะก็แจต่อแถวเลยนั่งีทีนึถ้าไม่มีงานก็ไม่มีอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่เคยทานบ้านนอกที่นครับ ที่แบบคนนี้ก็มีซ้ามีอะไรหน่อยเนี่ยที่บุคคลนี้ทานเหลือเนี่เข้าตั้งอาหารไว้แบบบุฟเฟ่เลยนะครับใครต้องการก็มาถามอาหารกับเหลือเฟือนแล้วก็เยื่อแยะนะครับเป็นอาหารเจบางทานเจด้วยนะแล้วก็ตั้งโต๊รีบอะไรนะโอ้โหโเยอะเลยครับอันนี้เป็นเป็นวันดที่ว่าทางชนมดนะแต่เป็นว่าที่คนเขาเลือกใส่กับทธามากนะครับคนในเมืองก็มาทําบุญกันบางทีวันดวนั้นเขามีจัดงานไง เ็าเป็นไปตั้งมุนายหรือไว้หลวงพ่อเนี่ยทั้งฟ้าทั้งเน็ททั้งโยมแลไวก็ไปฉันได้ครับแต่พราไม่จับมาต่างหานะอย่างเขาไปตัดฉันกันแต่ถ้าเราไปเจอบาลที่อาจจะขั้นหน่อยเจ้าภาพไม่มีศรัทธาไม่ไม่มีทรัพย์อยไรอย่างนี้นะครับจะเจอแต่ขนมจีอย่างเดียวที่ก็มีนะครับมีแต่ขนมจีแค่นี้แหละแล้วก็มีน้อยนะครับบางทีก็มีแต่ก็เจียวผัดอะไรนี้นะมาแล้วแต่ว่าเจ้าภาพเขา เขาบีบซักแค่ไหนนะครับแต่สมัยก่อนเน่มันที่เขาทำไม่เยอะเลยนะรงทางนะครับอีนี้เ น, น, นื้อมนต้นมันใหญ่เลยเพราะว่าอาจจะเห็นภาพลงทางชั้นขึ้นต้งมันย่างเนียเขยามาจากข้อตะกี้นะครับข้อตะกี อย่น้นี่สิ้าอนา ได้เจ้าประทับอยู่นักเพชตะวันอาลาของนาธรรมติกาข้ามบดีเข็มชระนครสามวีน า, านอันไม่หทาจานพนกพระนครสามวัชีนะั้นมีประชาชนหนึ่งได้จับจับตั้งอาหารไว้ในรงทานเี่ยนะเาตั้งอาหาในรงทานโรงท า, นะ า, า, า, านนี้เป็นยังไงนะในเอกสาอธิบ า, า, ายว่าก้องข้าวในรงทานชืวว่ออรักินดาน อาหารที่ก็อสร้างโรงทานครับกัน้นรัดวโดยรอบมีกำแพงเพราะมีกำหนดห้องและหน้ามุกไว้ามากมายจัดสั้งเตียงและต่างใบาตามสมควรแก่ผู้คนเดินทางคนไข้ยิงมีคาร์บอนบัญชิตแล้วจัดแจงในบรงทานนั้นเพราะเป็นผู้มีความต้องการบุญคือวัตถุทุงอย่างมีเข้าต้เข้าสวยและ เ, เป็นต้น เป็นของที่เขาจัดตั้งไว้เพื่อต้องการให้ทางเก็บพวกคนเดินทางเป็นต้นนั้นๆนะครับเนี่ยเขาทํำมา ใ, ใหญ่ๆโตนั่นเป็นโรงเลยครับแล้วก็มีที่พักมีอะไรมีเตียงต่างให้พวกคนเดินทางเปน็นต้นด้วยนะทั้งโยมผ้าก็ออกไปไนะครับอาหารก็เพียงพอนะทำมาเต็มที่เลยยุกยาอะไรก็มีนะอย่างเงี้ยนะทีนี้นะครับพระศพทีนะ่ นะคลองข้าเรียบร้อยถือบาจีวะเข้าแบบวินาศไปงั้นก็ะนครสามนาทีเมื่อไออม่ได้อาหารได้พากลับไปสู่รงทางทช่ไมก็คือบัาชนะครับวิ่วงไปนะไม่ไดอาหารเลยเลยก็ไปที่ไหนดีก็ได้พากลพาไปรงทางนี่แหะไหประชาชนตั้งใจองฆ่าด้วยดีใจว่าแม้ต่อเนา น, นานท่านจึงได้มาเข้าดีใจใช่ไมดังนั้นพระกุญแจมิจะมากันทีน ท่าวนะันที่สองะวันที่สามเวลาเช้ า, <ไป S 1> า, า ก, ก็จะขี่คอขอเตรลาลับจบแล้วบ า, ตบานตาปินตาบ่างพนางัามสามนาทีเมื่อไม่ได้อาหารแสดงว่ามีบุญ น, น้อยนะคนนี้มันทีมีวความเปนชไม่เคยดีใช่ไนะครับคนเขาไม่ค่อเรื่องาสนาเลยบินตาบ้างไม่ได้อาหารเลยครับสามวันแล้วนั่นก็ได้พากกไปฉนันในนมทางอีกครับวันที่สามนะ คาแรกได้ปรึกษากันว่าเราพวกเราจะพากันไปสู่อ า, ารามทำไมกันเนี่ยเราจะไปกลับบ้านทำไมก่อนใช่ไหมกลับว่ า, าไปทําไมแม้พผู้นี้ก็จะต้องมาที่นี่อีกจึงทากันอยู่ในลงฮานะนะั่นแหนฮะเยือนลงทางเลยสมัยนี้ก็ปักก่อนแล้วใช่ไหมปังไปเยือตรงนั้นแหละ น, นะครับพอรุ่งเช้าก็าาไม่ต้องมาบินไปไหนก็ฉันน่นเลยอยู่นั่นเลยสบายนะเนี่ยนะครับ จึงพานกันอยู่ในรงทานนั่นแหละชนะหาในรงทานเป็นประจําพวกอินทรีย์พานกันหนีไปธรรมนาพวกอินทรีย์ก็จะไปนะกินที่롱ทานนะทีนี้พวกอินทรีเห็นผ่านลูกอายเลยนะครับไม่ค้ <c oughs> านอยู่เลยอยู่เลยนะครับประชาชนจึงแพ่งเข้าดิเดียมภูรนาว่าฉะไหนพวกาาาาพระตมนศึกษาก็จะศักยบุตรจึงได้อยู่ฉะนะหาในรงทานเป็นประจําอาหารในรงทาน เขาไม่แน่ใจว่าจะทอดท่านเหล่านี้เขาจัดไว้เพื่อคนดยทั่วไปนะครับทีนี้พระนางพิสุคุญมังนั้นสุดโดดจากข้อเท็จจริงพนาและก็กล่าวว่าพี่เจ้าเป็นซ่าพระองค์ก็งมพญสิขาบอนะครับขั้งแรกนะข้าพนิจขั้งแรกมีแค่นี้กองนะเราะว่าพิสุภุญฉันอาหารในลงทานได้อีกครั้งหนึ่งถ้าฉันยิ่งกว่านั้นเป็นปังสิตรีขั้งแรกนี้ไม่มีเพราะว่า ไม่ใช่ผั้อภัพนะครับยังไม่มีนะครับบอกว่าให้ฉันได้ทั้งเดียวสมัยต่อมาก็มีเรื่องของพระสาราีบุตรเกิดขึ้นอีกนะครับท่านพระสารีบุตรเดินทางไปนครสวรรค์สามวชิรในโกศชนบทได้ไปยังองค์ทานแห่งหนึ่งประชาชน ต, ตั้งใจอัฆ่าด้วยดีใจว่าแม้ต่อนานๆพระเถระจึงได้มาเขาถวายอาหารท่านท่านเพื่อดีใจเนะครับานพระสารีบุตรชนะอาหารแล้ว บางเกิดอาัดหนักนะไม่สามารถจะเด็ดประจักงทานนั้นได้ครั้งวันที่สองประชาชนพวกนั้นได้กล่าวเรียนท่านว่านิมนต์ฉันเนกิดเจ้าข้าจึงท่านรระสารีมงเกียรอยู่ว่าพราพุทธเจ้าทรงข้ามการอยู่ฉันอาหารในลงทานเป็นประจำดังนี้จึงไม่รับนิมนต์ท่านได้ยอกอาหารแล้วยอกอาหารนะไม่หย้ด้มงมัมรหร อ, อกเพระถือพระทเจ้าทรงห้าม ันอยายนแล้วนครับขัน่อเรนทางไปถึงพรนคมสามันีแล้วได้แจ้งเรื่องนั้แก่พิสุท์ทั้งหลายทธทังหลายได้ก่าคุณเนื้อความม่คุณพระพ่าจ้าพระนุชทองก็เลยเล่าสั่งกับพิสุทิ์ทัหลายนะรว่ายูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเราอนุญพิสุ์ผู้อาพาอยู่ชนอาหาในรองทานเป็นประจำได้และพระโอษช่องก็บรรเปยนสิศข่าบุติมนมาเต็มเต็มเลยเยี่ยมที่่ากเลยนะครับ ทีนี้มาดูความชั่วบัตคดีธบายใตังขาน ที่เหมือนนงนนออค่าว่าเหมือนรองเท้านะครับเพิ่งสร้างวิณิชัยในสุ ข, ขาบทที่หนึ่งแห่งโพชนาลัคคาว่าอักีรายเนี่ยนะคือผู้สามารถจเดินทางได้เึิ่งยอด <c oughs> ผู้มันเป็นไทยใช่ไหมยังไปได้เก่งยอดไกยกีโลเนี้ยยังไม่ใช่ว่าป่วยนะครับคําว่าเอกแปลว่าวันเดียวถ้าพูดถึงวันนะจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ไม่ได้พูดนะครับเอาว่าวันนั้นก็แล้วแต่ ฉันได้วันเดียว้วคําว่าหาก็าตรฐานปิ่นโดเรงทานเนี่ยได้แก่โพวชนะที่ผู้ต้องการบุญจัดแจงไว้ในที่ใดที่หนึ่งมีสาระเป็นต้นโดยไม่ได้เจาะจงนักบวชหน้าที่เดียวว่าโพชนะนี้จะมีแก่นักบวชนหน้าที่ประมาณเท่านี้เนี่ยไม่ได้เจาะจงนะให้สาธารณทั่วไปใครก็ได้เลยครับ หรือไม่ได้จอโจงข้าวอย่างนี้ว่าข้าวมุมาเท่านี้จะทำแค่อสอบเดียว <rue> <millions> แค่ธนาเดียวนี้ไม่มีนะก็เต็มที่นะครับพอความต้อ ง, องการนะใครมาก็กิงได้คำว่าคุณชิตตับโพนะครับแปลว่าคือนโพแปลว่าพอชนะที่ตะคุณเดียวหรือหลายตะคุณ นี้อตระกูลต่างนะต่างตระกูลรวมกันจัดไว้ในสถานที่แห่งเดียวกันก็ดีจัดไว้ต่างสถานที่ก็ดีนะครับนี่นะก็คือของเจ้าเหรือว่าหลายเจ้าเข้ารวมกันเป็นหนึ่งใช่ไหมขัดความด้วยกันตั้งไว้ในที่เดียวนะครับหรือตั้งมาหลายที่นะ่ะเป็นจุดๆจดไปที่เขาจะตั้งมูลทานนะครับแต่ก็เป็นของเจ้าเรียนที่รวมกันเป็นอั น, นอเดียวครับอันนี้นะ ใจไม่ในสถานที่ไม่แน่นอนอย่างนี้ว่าวันนี้จากที่นี้พรุ่งนี้จะที่อื่นเข <c oughs> ก็เรื่องนไปใช่มแต่มันไม่แน่นอนแล้วแต่นะครับดังนี้ก็ดีพี่สู่นฉันได้วันเดียวเท่านั้นในที่แห่งเดียวเห็นไหมนะฉันได้วันเดียวนะครับและก็ในที่เดียวพ่อหายพ่อเป็นของสกุลเดียวหรือว่าหลายสกุล เ, เข้ารวมกันเป็นหนึ่งนะครแต่ถ้ามันแตกะกุลเข้าไม่ได้รวมกันเลยเนะี่ย เราก็ไล่ฉันไปได้ที่ว่านะมีสิมโลที่ไม่แล้วก็สิมแจ้วแล้วก็ไล่ไปพอหมดแล้วก็หมดแท่นั้นไปแรับบหนึ่ง ด, มดไม่ได้นะควาว่าตะโตเจตตะพี้นะครับถ้าฉันนิ่งก่อนนั้นนะความว่าตั้งแต่วันที่สองไปเป็นทุกกฎเพราะการรับปรเคมโภชนะของทายยกหลักนะั้นเพราะรับประเคนไดตั้งแต่ว่าจะฉันก็ต้องทุกกฎ ในสถานที่นั้ น, นหรือในสถานที่อื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่นะพอเป็นเจ้าเนี่ยหรว่ารวมกันใช่ไหมจะใ น, นที่นั้นหรือว่าที่อื่นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ แ, และต้อัาปาจิรุตุคคำกรโยนเยอะเลยนะครับวันนี้เหตุเกิดและประเพณีอาบมตสิขาบนนี้เมื่อพระเจ้าทรงปรากฏที่สุโขทัยในเมืองสามัคคีบรรยัติไว้แล้วประเพณีคือการชนาารในาลงทานเป็นประจา คำว่าอัคคลาในนั้นเป็นแบบไม่ได้เป็นไข่เป็นอนุบั ญ, ญาลย์ในสิทธาบทนี้เป็นสาระบัญญัติที่สุมีก็มกนีนะอันนี้นะอนนี้ติกรรมไม่ เ, เกี่ยวกับการใช้ให้ฉันตัว น, นี้ก็โล่นะติกรปมปาจิตดีติกัรมไปตีเป็นไงฉันเกินไม่ว่าฉันเกินเนะไม่ใช่นไม่ใช่ผู้อาภาธนะครับไม่ได้ปวยนะครับคุณต้องรู้ใช่ไห เสงสัยหรือข้อใจถึงว่าป่วยแต่ความจริงไม่ได้ป่วยนะเป็นฉนันทะในนงทางเราเป็นประจํานั่นยิ่งกว่าหนึ่งวันก็ต้องไปดีทั้งนั้นพิสุดเป็นไข้สําคัญว่าไม่ได้เป็นไข้นะครับป่วยนะไปไม่ไหวแหละแต่ข้อใจว่าเธอไม่ได้ป่วยครับหรือว่าสงสัยอันนี้ต้องหมาทุกกองนี่นะอะไรก็ฟังไว้นะไม่แน่นัอาราักเดียวกลับต้องมาข้อนี้ก็ได้ ถ้เราไปบ้านไหนที่เขามีจัดงานแล้วก็มีตั้งลงทานใช่ไมันที่เขาจัดงานก้าจ็ดวันห่ือนิดหนึ่งแล้วก็ไปฉันไดโลงทานั้งเจ็ดวันเลยแล้วก็โดนที่มึงเรออย่างงไม่ได้นะฉันได้แค่วันเดียวนะครับนี่แหละครับคือว่าโยงไม่ได้หมดไม่ได้หมดเขาครับใช่ครับถ้ายมนี้หมดไม่เป็นไรครับได้นะจะอยู่ในอนาคตนะครับอกว่าถ้ายกคนนี้หมดได้ต่อไปครับต้องดูอนาคต ที่สุดเป็นไข้สําคัญว่าเป็นไข้แล้วฉันก็ดีอันนี้ได้ไม่เป็นไรฉันอาหารครั้งเดียวครับอันนี้ได้มาเสรครั้งเดียวแล้วเมื่อจะเดินทางฉันในระหว่างทางครั้งหนึ่งในสถานที่ตนไปถึงฉันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ในกรณีพิเศษกวลาเดินทางนะครับมัก็ฉันได้สองครั้งระหว่างทางครั้งหนึ่งใช่ไหมพอไปถึงที่แล้วก็ฉันได้อีกครั้งหนึ่งครับพราะบางทีพาเดินทางลำบากใช่ไหม ยังหาบิณฑบาตหาอะไรไม่ได้แต่การาวข้สันตุนทางนี้ก่อนได้เลยนะนี่พอส ม, มอย่างไรนะครับแม้เมื่อจะเดินทางกลับก็เหมือนกันนะใช้นนหนท า, า ง, คงครั้งหนึ่งใช้สถานที่ตนกลับมาถึงครั้งหนึ่งก็ดีอันนี้ได้เลยคิดว่าจะเดินทางฉันเสร็จนะฉะนันลงในลงทางแล้วเสร็จแนละ้วออกเดินทางก็มเมียนตารางบางอย่างสิ่งกลับมาเพราะนั่นจะไปนะมเมียนตารานบางอย่างขัดขวางนะครับทไม่ได้ อาจจะมีพู้โจมหรือว่าเกิดน้าท่วมเมื่อไปไม่ได้ครับจึงกลับมาหรือว่าปลอดภัยแล้วเมื่อจะเดินทางไปอันนี้ฉันได้อีกครั้งหนึ่งขอขออนะครับนี่ได้สองครั้งกันท <c oughs> างยกมิ้นบนถวายก็ดีเนี่ยถ้าจะ า, านถนน ม, นมันมีปัญหาแล้วก็ไปยิงแกงกลางๆแทนนั่นเองแล้วไอ้ขั้นนี้มันอย่างเราไม่ได้ไปขอยนะไม่ได้ไปไต่ไอ้ขัน้นนี้มันเองมีปัญหาครับ ฉันโพชณะซึ่งเขาซึ่งเขาจัดแจงไว้สำหรับพวกพิสุทธเท่านั้นก็ดีอันนี้ได้นะครับถ้าเป็นลงทานที่เขาจํพจาพาะจอบจองเนี่ยว่าทําไว้เฉพาะถวายพระพิสุทธสมบูรณเท่านั้นนี้ทำ ม, มีประหแหนเราเป็นกี่วันกีร่รอบกีร่กอรอบละถ้าจอบจองไว้แล้วฉันโพชณะที่เขาจัดไว้ไม่เพียงพอกับความต้องการก็ดีถ้าเป็นลงทานเล็กๆนะครับเขาไม่ได้มีอาหาร่นเพียงพอเยอะแยะมากมาย เขามอาจจะมีขนมนมเลยขนมไม้ดมอะไรกินะนิดหน่อยใช่ไหมครับพอลองลองนี่นะโองทานแบบนั้นนะครับก็ไม่ต้องอาบัตอะไรข้อนี้นะครับในคนจะไปลองทานข้อนี้เพียงพอนะครับคุ่เป็นไรฉันยังอืึ้งโผชนะห้าก็ดีโอ้ยนี่ก็ได้เห็นล้มในสามโผชนะห้านมนี่ก็ไม่ใช่โผชนะห้านะครับโผลชนะมีข้าวสุกขนมสดครงให้ปาหลาเนื้อ นมนี่ไม่อยู่นนะไม่อยู่นะครับพอระหว่างล่าไม้ฉันจริงๆของคนเคี้ยวเลี่ยล่าคนเคี้ยวดอกคนเคี้ยวใบคนเคี้ยวแป้งคุณเคี้ยวแยะนะครับชิมเที้ยวโฉนหาห์นะได้ครับอันนี้นะพ่สูจน์บ้าแต่ต้นกพอดีไม่ต้องการบัตนะครับองอัลบัตข้าวตันี้มีองสามเหล่านี้คือหนึ่งเป็นอาหารในรองเท้าสองไม่เป็นไข้สามฉันเป็นประจำ เมื่อครอบองศาก็ต้องบอกไปดีในสุดฐานบทนี้ครับสูตรฐานเป็นต้นเป็นเช่นเดียวกับกเอลการโรมาสัสสุดฐานบนนรเป็นยังไงครับเอลการโมัสเนื้อของแกะนะ่ถือคนแก่ไปเกินสามโย น, น, น, นจำไว้เลยนะคนแก่เกินสามโยนเป็นสุตรฐานเท่นไหร่ เอลกาดโรมานี่จำ ไ, ไ, <c oughs> ไ, ไดไ้เลยสองครับคำถาม ส, สองคอรงับคือกายกายกายจิตถูกต้องครับกายแล้วก็กายจิตเนะให้จับเอลกาดโรมาที่ว่าถือเปนแก่เก็นสารพใช่หมถ้ามีจะรู้ท่องนีตั้งใจให้เกินเลยชไหมก็ถ้ามงคือไม่รู้เนี่ยแล้วมึงเกินเนี่ยก็ต้องนานาอาบัมงแก จำพอนั้มันนะที่ผมแกะไปเป็นแสนโยชนรู้ไม่รู้ถ้ามันเกินโดนอาบัตุนั้นครับเนี่ยถ้าเราบอกว่าสมมุน้ามงกุฎยันละกังรู้มากสีขาเราต้องรู้แล้วการอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เราเข้าใจผิดว่าพุ่งฉันวันนี้วันแรกนะถ้าเรี่เป็นวันที่สองเลยใช่ไหมครับก็ต้องอาบัตุนะนี่เอาทันทีเป็นลักษณะนี้นะครับไอที่ไม่มีคือ ตัวไม่ได้เป็นไข้ตัวไม่ได้ถึงไข้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข้โป่วไม่สบายไปไม่ได้ไหนครับแทนที่ไม่ไดอ้โปวดในขนาด น, นั้นนะอันนี้เราก็ไปฉันนะครฉันเกินหนึ่งวันใช่ไหมก็ถือว่าไม่มีกิจนะครับ น, นี่ก็จบการที่บาดว่สาสธรรมศิกขาตบุกแล้ก็จะเป็นอย่างไงอะไรหรออ่าเป็นกิริยาดวงสัญญาบิโมกัจจิตกะอ น, นันติวช้า กาย ก, กรรมอย่ น, นี้นะข้อนี้เกิอการฉันนะครับมีจิตสาววทนาสามดังนี้นอคคะไะในโภชนะห้ะามี<น>อะรบ่นเรื่อยอื้กระเบียรมังสารข้าวข้าวุกอย่างีเงือกมีปลาหมดเลยไอต่จาก็มีข้อนั่นแะครับ เอาไเราตองพามตัดม okay. yeah? oh. ันเลยเี but, on 80, to to school, ัปล่อจบนะครับอานี้คือถ้าผู้ดิะเขาย้ายย้ายที่ไปนะวันเราครับหินะครับย้ายไปปานีเราก็เลยขาดด้วยครับถ้าเราไปาที่ปาอย่างี้่โดนยงเดียวเพราะว่ากลุ่มเดียวันครับถ้าเราเดินทางไกลได้ก็ยูสุผูเดินทางไกได้ ในระหว่างทางครั้งหนึ่งพอไปถึงที่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนี้นะนครับแต่ถ้าเราจาตรงไือไม่เยก็ไม่มีนะนะครับจะให้มนเปเดินทางไปได้นะครับอันนี้นะเขาบอกเดินทางไกใช่ไหมครับปมานั้นนจะถือว่าเดินทางต่กอเดินทางไกใช่ไมครับประมาณนั้นนะจะถือว่าเดินทางไกลตื่นโจ๊ And how o e